จะฟังหรือยังวันนี้คงจะนําข้อคิดหลักธรรมต่อจากวั น, ต, นต้นที่เทศถึงเรื่องหรือบรรยายถึงเรื่องอปันนกะปฏิปทาคือเป็นคนปฏิบัติตามแนวนี้แล้วความผิดจะเกิดกับชีวิตเรายากจะเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยผิดหรือผิดน้อยที่สุดถ้าปฏิบัติเข้มขน้นชีวิตนี้กแทบจะไม่ต้องมานั่ง ร้อนใจกับความผิดพลาดหรือภาษาธรรมะเรียกว่าวิปปติสารคือไม่เกิดร้อนใจในภายหลังต่อการกระทาผิดด้วยการประพฤติถูกต้องสามประการพูดเป็นลําดับแบบ้องจองอาจจะกลับหลังกับหน้าก็ได้นะแต่ให้จำง่ายกินนอนสังวรระวังแต่เขามีคำเป็นภาษาธรรมะไว้ว่า โพชเนมัตันยุตาชาคิยานุโยกอินรีสังวรถ้าพูดตามภาษาธรรมะประ่าอย่างนี้แต่ชาวบ้านเราบอกกินนอนสังวรระวังถ้าพูดแค่นี้ถ้าจำง่ายปฏิบัติคร่องก็ไม่ต้องรับโทษรับทันชาตินี้คุกตารางไม่ต้องพูดถึงนรกก็ไม่ต้องไปอยู่ก็ทำถูกต้องอย่างภาคภูมิใจตลอดไป เอาตอนนี้อย่างที่บอกว่ากินเป็นนอนเป็นระวังสังวรเป็นชาตินี้ก็เป็นได้ตลอดชีวิตไขอายุไขเท่าที่ควรจะเป็นไม่ค่อยคำว่าตายก่อนวัยเออพูดถึงเรื่องกินเนี่ยเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยทำไมเป็นโรค ก, กินเยอะเอเดาที่คนรวยเป็นโรคเกี่ยวกับกินมากกว่าคนจน เพราะอะไรเพราะว่าคนรวยเนี่ยกินตามใจปากตามใจท้องเพราะมีกินเยอะซื้อกินได้เยอะแล้วก็กินของชนิดที่ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกินบำรุงบำเลอตัญหากินเสร็จแล้วโรโกรดหลงก็เกิดขึ้นเยอะด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดด้วยตอนนี้ถามว่ากินอย่างมีปัญญาเนี่ย กินยังไงเคยกล่าวไว้ตอนต้นหน่อยหนึ่งว่ากินแบบชนิดที่ฉลาดกินหรือว่ากินแบบพิจารณาด้วยปัญญากินด้วยปัญญาจะไม่กินเกินไม่กินผิดได้กระทั่งหากินก็จะไม่ผิดไม่ขโมยเขากินรักเขากินโกงเขากินปล้นเขากิน นี่เป็นอันว่าปิดประตูแล้วเพราะก็กินด้วยปัญญาพระเนี่ยเวลาจะฉันนี่ต่างกับชาวบ้านชาวบ้านอาจจะตักกินเลยแต่พระต้องปั จ, จเจกก่อนต้องบอกว่ากินเพื่ออะไรเพื่อระงับดับความหิวกินเพื่อให้มีเรี่ยวแรงไว้ ป, ปฏิบัติธรรมไม่ได้บอกถึงก็กินเลย และอาการกินมารยาตในการกินก็ต่างกันกินเนี่ยชาวบ้านเรียกหลายอย่างใช่ไหมตักเอาตักเอ า, เอาเนี่ก็เรียกอะไรใสเอาใสเอา <c oughs> <c oughs> มีอะไรอั ก, อกษรดอรก็มีนะ <c oughs> สรุปแล้วก็คือว่าการกินของคารวะกับพระ เขาเรียกพระว่าฉันทั้งทั้งที่เอาการใส่ปากเหมือนกันแต่พระเนี่ยจะยืนกินเดินกินล่อนกินช้อนตกจานหล่นไม่ได้เลยเสียหายแม้จะขูดบาดดังก็ไม่ได้ดังชิดชิัดชจุดับจับก็ไม่ได้ไม่กระทั่งตักข้าวใส่ปากเนี่ยห้ามอ้าคอยนานไ่ใช่ตักบั๊บยังไม่ทันจะยกช้อนขึ้นอ้าแล้วน่เครียดนะ ก็ต้องใกล้ปากก็คอ่อยอ่านเพราะฉะนั้นเรื่องมรยา่าดการกินฝึกผลปฏิบัติประพฤติกระทำให้การกินดูแลงดงามนี่ก็เรื่องหนึ่งกินอย่างมีวัฒนธรรมมีมรยาดแล้วกินเนี่ยคุยเม่อตอนกินมากก็ไม่ได้โบราณเขาเรียกอะไรนะไอ้นี่มันเมาเข้าสุขกินแล้วมันคุยไม่หยุดอไอ้พวกเนี้ยสรุปก็คือว่า มัลยาิการกินสวยงามหากินมาก็ถูกต้องตามคันลองครองทำไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมแล้วยังมีปัญญาลึกล้ำแบบนั้นอีกว่าเราเนี่ยจะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเราจะกินเพื่อให้เรียวแรงพอจะเหลือไว้ปฏิบัติธรรมอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่า อย่าให้หลงไหลเรื่องกินต้องกินด้วยความรู้สึกเหมือนกินเนื้อบุตรกลางทะเลทรายพาลูกน้อยเดินข้ามทะเลทรายลูกน้อยเกิดตายเพราะอาหารหมดสองพ่อแม่นั้นก็ไม่รู้ทาไมไม่มีอะไรจะกินแล้วต้องกินเนื้อบุตรที่ตายแล้วเนี่ยพอประทังชีวิตไอ้ข้ามทะเลทรายให้ความรู้สึกมันเป็นขนาดนั้น เดีย๋ยวนี้มันกินกันโอ้ยปลนเปลือบำเลออร่อยอร่อยกันอาหารบนสวรรค์จะสู้ไม่ได้แล้วมัง้งไม่ต้องอะไรแค่วัฒนธรรมน้ำจิ้มนี่ก็มึนแล้วสมัยอาตมาเด็กๆนี่จำได้เลยไม่รู้จักน้ำจิ้มอะไรมีแต่น้ำปลาบีบมะนาวหั่นพริกขี้หนูใส่จิ้มมันทุกอย่างเลยเนี่ยจะมีอะไรมากกจิ้มกไก่นี้แหละ น้ำปราพกิหนหูมะนาวแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหมึโยมมานั่งกำกับไปงานฉันงานใหญ่ใหญ่ท่านจิ้มผิดแล้วไอ้นี่มันต้องจิ้มมิดก้นน้ำจิ้มมันตั้งสี่ห้าชนิดมันบ้ายุคบ้านน้าจิ้มจนกระทั่งเราก็ไม่รู้จิ้มอันไหนอันไหนเพราะเราเกิดมามันจิ้มอย่างเดียวคือน้าปรามะนาวพริกขิงหู จิทุกเรื่องจะเป็นอะไรต้มอะไรเยี่ยิ้งอะไรก็แล้วแต่ไก่เก๋ยไม่มีแล้วไอทีน้ําจิ้มไก่น้ําจิ้มนู่นน้าจิ้มนี่ที่มันทํากันยุคเนี้หมดเวลาไปกับเรื่องทําน้ําจิ้มตรงแต่งอาหารลสเลิศแล้วก็ติดปากติดใจติดลิ้นแย่เลยเอาละสรุปว่ายม ชาตินี้เราต้องเป็นคนฉลาดในการกินให้ได้อย่า ก, กินจนหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินชอบกินหรูกินแพงกินเหลาปัตานาการกินสูงแล้วตกเจ็บถ้ากินต่ำตํำๆพวกอาหารถามว่ามันอิ่มเหมือนกันไหมโย่ไป อ, อาหารข้างถนนที่เราเรียกอะไรนะแบกระดินในพวกนี้โอ้บางคนบอกไม่ได้ เสียศักดิ์ศรีเนี่ยมันกินด้วยศักดิ์ศรีแล้วเดี๋ยวนี้มันไปกินอาหารที่มันแพงแพงเนี่ยโอ้โต๊ะจินมือมเป็นแสนนี่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้กินอาหารแล้วมันกินกิเลสเพราะว่าในร้านอาหารยุคนี้มันมีให้กินทั้งหมดทั้งปากทั้งลิ้นทั้งหูทั้งตามันมีรูปอะไรเต้นบนเวทีมันมีเพลงขับกล่อม เดี๋ยวตีหนักพอนั้นไม่รู้จริงไม่จริงนะกินไปมีเด็กมานั่งตักเสิร์ฟในพวกนี้แหละเลยกินกับลูกกับเมียไม่ได้ต้องไปกินตามร้านคาราโอเกะร้านอะไรต่ออะไรเขาเลยรอเล่นรัฐบาลชุดเนี้ว่าเป็นฝันใจเมียหลวงเพราะว่าตอนยางแพงข้าวแพงผัวออกบิ๊กอัพ ไปกินร้านข้างนอกหูมันก็กินเสียงนักร้องกล่อมจมูกก็กินกลิ่นคนเสิร์ฟแทบจะใกล้ชิดสนิทจมูกเลยมาเสิร์ฟติดผลที่สุดผัวเลยไม่กลับมากินข้าวกับเมียกินข้างนอกที่ร้านพออย่างถูกข้าวถูกรถถูกยึด ไปกินข้างนอกไม่ได้ก็กลับมากินข้าวก็เมียหลวงก็ลูกก็เต้าเมียหลวงได้ชื่นชอบรัฐบาล น, นี้เพาเป็นรัฐบาลฝันใจเมียหลวง <c oughs> เขว่ากันเพราะว่าไม่ได้ออกไปกินข้างนอกเหมือนก่อนเอาละตอนนี้โบราณเราเนี่ยเขาเขียนบอกสอนเตือนเรื่องกินเรื่องนุ่งห่มปัจจัยสี่เนี่ยให้ใช้อย่างฉลาด ลองฟังเขาไหมเช่นเขาเริ่มต้นว่าถึงกินดีกินแล้วขี้ไม่มีเหลือจะกินแพงกินหรูยังไงก็ไหลออกมาเหลืองๆหมดเลยจริงไหมถึงแต่งดีเพียงเพื่อปกปิดเนื้อร่างกายผีใส่เสื้อแพงยังไงก็ใส่ให้กับปัญช้าผีกุ้งผีเป็ดผีปลาอยู่ในร่างเราถึงอยู่ดีเพียงเพื่อ กันแดดฝนทั้งจนมีบ้านจะใหญ่โตไรอีกสิบล้านก็แค่กันแดดฝนทั้งจนมีร่างกายเยาววานาคือฟางศอกปลูกกันตั้งเจ็ดปดิบล้านก็พอร้อยล้านก็มีบ้านเสรษฐีแล้วก็มาบ่นใช้คนใช้หลายคนเงินเดือนจ่ายเยอะเพราะว่ามันปลูกสักเกินพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่วังอยู่ประสาท ก็ทิ้งวังทิ้งประสาทไปอยู่คนต้นไม้พวกเจ้าชายทั้งหลายออกตามมีอยู่องค์หนึ่งถึงกับร้องว่าสุกหนอสุกหนอตอนอยู่ในวังนะ่วุ่นวายกุ้มบ้านใหญ่ประสาทเยอะเนี่ยกลุ่มเอาสรุปก็คือว่าสามตัวเนี่ยปัจจัยสี่ ท่านบอกกินดีกินแล้วกี้ไม่มีเหลือแต่งดีเพียงเพื่อปกปิดเนื้อร่างกายผีอยู่ใหญ่โตโออาก็แค่กันแดดฝนทั้งจนมีตอนทุดท้ายที่ประโยคสุดท้ายนี่เหลือเชื่อจะไม่ต้องมาบอลแล้วโรงพยาบาลเอกชนแพงยาแพงเพราะท่านทิ้งท้ายไว้ว่าเจ็บไข้ตายก็ดีหมดปัญหาถ้ายามันแพงโอ้โหเย้ยมันเลย เจ็บไา้ตายก็ดีหมดปัญหาถ้ายามันแพงแตเดี๋ยวนี้เห็นบนกันว่าโรงพยาบาลเอกชนแพงแงเนี่ยตกลงว่าเราเนี่ยยังไงอย่าให้เป็นอย่างสมเด็จโตท่านเคยนึกอยากกินท่านชอบกินฉันแกงอะไรไหมสมเด็จโตชอบฉันแกงส้มดอกแค่แต่นีย้ยมเยี่ยงหยมอะไรเนี่ย เปนประวัตินะเราเชิญําแกงมาถวายท่านแต่ไม่ได้ถวายแกงส้มดอกแค่มาหลายวันสมเด็จต่อก็ท้วงว่าเดีย๋ยวนี้ไม่ได้ฉันแกงส้มดอกแค่มาหลายวันโยมเอียงแกก็ไปไปีนต้นแค่์ใสอดอกแค่จะมาแกงส้มดันพลัดลงมาล่นมาขาเดีง้งกระเพกกระเพ็ก วันนั้นแกงส้มดอกแครมาถวายสมเด็จโตแต่เดินกระเพ็ดกระเพ็ดสมเด็จก็ถามว่าเป็นไรอย่เพียงเอา้าก็สมเด็จอยากฉันแกงดอกแครนั้นก็ปีนดอกแครตอนพลัดหล่นลงมาขาเดีง้งสมเด็จรู้เขาอย่างนี้บอกตายกูอยากกินจนเอ่ยปากให้เขาลําบากขนาดนี้เลยเลยพ อ, อยมเอียงกลับไปท่านทําไงรู้ไหม ท่นตักแดงส้มใส่ปากแล้วไม่กืนอมอยู่งั้นเนี่ยจนจืดหมดแ้วท่านก็คายออกมาแล้วที่เหลือเนี่ยท่านเอาโปะหัวเลยโตว่าโตมึงอยากกินจนเขาเจ็บไหมโปะหัวไม่ฉันเลยเนี่ยสมเด็จโตคนเดียวนี้นะจะยุคใหม่นี้จะทําได้หเปล่า ไปขอให้โยมแกงนั้นแกงนี้ที่จริงพระวินัยก็ห้ามอยู่พระต้องฉันตามมีตามได้ไม่ใช่อาาร์หันตามสั่งพระต้องงดเว้นคําว่าอาหารตาสั่งเห็นร้านอาหารตําสั่งพระต้องเมินต้องทำเหมือนหมาเห็นเขาเปือกเลยอะไรทําไง้ไม่คิดจะมีอารมณ์ที่จะสั่งออมีเรื่องเยอะนะพูดถึงเรื่องกินกินเนี่ย แต่ว่าถ้าคนเคยติดกินแล้วขาดกินไม่ได้ปวดฟันนี่ไหมนึกถึงไอ้ที่เขาว่าเนี่ยมันมีคนถอนฟันแล้วตายอ่ะจำได้ปะมันผกแล้วมันก็ทืบไม้ที่กระผกเนี่ยฟันหลดุดเลือดออกไม่หยุดแต่โบราณก็ใช้อะไรนะสักกเบือยผูกตุฟกฟางสักกสักเบือหนนะนะินนั่นน่ะมันนก มันก็จ็ฉากปึกลก อ, อแล้วก็บอกว่ามันแก้เข็ดเลือดไม่ค่อยออกถ้าใช้สกเบอือไม่จริงหรือเปล่าทาให้คิดนึกยากล้องแต่หาสากไม่ไดออ้สรุปป่าเออ น, นื่องกินเนี่ยอย่าไปถือแบบไอ้ที่ชอบพูดกันภาษาสมัยใหม่เป็นปัจจยาเร็วๆโง่งๆ เรื่กินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องกลางเรื่องตารางเรื่องอ ม, มันเอาขนาดนั้นใช่หรอเอาตอนนี้สรุปว่าถ้ากินด้วยปัญญาต้องเริ่มพิจารณาว่าจะกินเพื่ออะไรเพื่อระงับดับความหิวเพื่อบรรเทาความหิวแบบทุกขเวทนาของความหิวให้มันระงับลงแล้วก็จะได้บำเพ็ญสมณธรรม บำเป็นปฏิบัติธรรมไม่หลงไหลในเรื่องนี้จนกระทั่งทำบาปเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องเกินไปความผิดพลาดเสียหายมันก็จะไม่มากชีวิตคนเราไปสังเทตดูเถอะกองกินอะไรกินเนี่ยอันจิ้มกองเข้ามาก็กองมาเพื่อกินก็จิ้มบอกว่าไอ้นี่ชอบกองกินมันกองกินกองมากินอะไรเงี้ย ถ้ า, ากว่าโกงมากินก็กินเป็นบาปไหมง้ไหมเ อ, อ้าตกลงว่าต้องกินด้วยปัญญาไอ้คนชอบกินเกินเนี่ยมันเสียหายต่อระบบสุขภาพนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเขาถึงให้ถ้าสมมุติว่าร้อยคำจะอิ่มต้องเหลือแค่แปดสิบแปดสิบแล้วดื่มน้ำตางให้มันพอดี ไม่ใช่เต็มครบร้อยแล้วหมายมันอร่อยอัดไปอีกสิบห้าคำมันก็เหลือบูดเป็นแก๊สย่อยไม่หมดสุขภาพก็เสียเขาถึงบอกว่ากินของคนรวยก็ป่วยเจ็บเยอะแต่คนจนที่กินโง่โงก็ป่วยเจ็บเยอะอีกอะ่ะฉันกินดิบกินเลือดสดๆกินแล้วเป็นพยาธิตับไปไม้อะไรจอะไรที่เขาว่ากันนะ มก็มีนะคนโอ้โหบางทีนักเกลียดกินเลือดวัวสดๆกินอะไรสดๆกินทีกุ้งเนี่ยต้องให้ดินรุบๆในปากได้แต่ถ้าใครฟังเรื่องนางนกกระยางขาวอ่ะอพอินหลงใจพอกินเข้าไปแล้วพออินแก้งเป็นปลาตายพอนางนกกระยางกินเข้าไปตั้งใจถือศีลเนี่ยจะกินแต่ปลาไตายแต่พอกินปั๊บ นกกระยางรู้สึกอีกปลาตัวที่ว่าตายนี่มันบบดิ้นดุบดุก็คายออกมาไม่กินพ่ออินก็ลงไปรอตายตัวอื่นต้องอื่นอีกนางนกกระยางก็เดินหาไปพอเจอเห็นปลาตายก็จิกกินอีพอดิ้กินก็ดิ่งดุบดุดุอีกถ้าเลยไม่ได้กินผลที่สุดหิวตายเสร็จก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าเพราะถือศีลเคร่งคัดไม่ยอมกินปลาเป็นนี่ เดี๋ยวนี้บางคนนี่กินกันสดสดกินกันดิ้นดินไอ้กินที่เป็นบาปเป็นกรรมเลือกเกินนี่มันน่าจะอะไรนะเพราะอุ้งตีนหมีอย่างเงี้ยโอ้ชีวิตก็ตทั้งชีวิตตัวมนะุนะตัดข้อเท้าออกมาะอะไรนะสมองลิงอะไรเงี้ยจริงไหมนะไม่แต่วันนั้นดูทอร์แัสแวบๆนะมันเอาหัวโผหัวลิงเนี่ยโผมาบนโต๊ะเนี่ยนะโผล่อันนี้ต้องตัด แล้วคนก็ตา ก, กินโอ้โหมันบ้าลำบากทำไมมันคิดได่งั้นสยดสยองแล้วเดี๋ยวนี้มันมีกินแปลกๆเยอะไหมยะว่ามีกินไส้เดือนมีไหมมีนะมกินอะไรแปลกๆที่มันพิษสดานรวมแล้วชาตินี้มันเป็นมนุษย์เกิดมากินพิษสานกินบาปกินชั่วกินเลวกินผิดมนุษย์มันนา จึงเรียกว่าอปัณกะปฏิปทาไม่ได้กินไม่ผิดอะนี่แปลว่าไม่กินชนิดไม่มีวันผิดกินไม่มีบาปกินไม่มีชั่วกินด้วยปัญญาพุทธเจ้าถึงเอาข้อนี้มาสอนไว้ก่อนเอาต่อมาเรื่องนอนทำไมวันนั้นก็กล่าวไว้บ้างแล้วละ่ะ แต่วันนี้อยากจะมาตอกย้ำอีกว่าทำไมถึงไม่มีการถือศีลอุโบสถแล้วต้องไม่นอนบนฟูกได้นอนบนที่นอนอันสูงปูเสื่อกับพื้นเอนตานในหวังเคยมาเล่าว่าถึงวันพระใ น, ในหลวงก็จะพาปูกับพื้นไม่บรรทมบนเตียงสิ่งเหล่านี้ กษัตริย์สมัยก่อนนี่เขาก็ประพฤติปฏิบัติกันชินรัชกาลที่สี่นี่ยก็ทำกันมายุกนู่นน่ะยเยอะแยะมากเรื่องไปนอนตามสาราวัดนอนแล้วยุงกัดก็ใหม่นานอะไรนะคุณหญิงอะไรที่เป็นเจ้าของเมืองโบราณะจำชื่อแกไม่ได้ะคุณเสียเล็กใช่ไหมภรรยาเสียเล็ก แกถือสิงเครื่งกัดมากตอนนอนกลางมุงเนี่ยยุ่งมันรุดเข้าไปมันยุงบางตัวมันก็รอดได้ใช่ไหมหรือบางทีแหวกเข้าไปมันเข้าไปพอดีเขาบอกโอ้แกจะฉายไฟแล้วค่อยๆเอามือแล้วก็มุดป่อยไม่ใช่ผู้กูจะนอนนะทําไมมากัดตัวนี้เขาบอกตอนนอนเนี่ยอย่าให้ลาคานมดยุง ถึงกับต้องมาบี้มาเพื่อ น, นอนอ่ะฉันนอนก็ก่อบาปแล้วก็แย่แล้วท่านนอนคิดไปในเรื่องไม่ดีอีกคิดพยาบาทคิดบิดเบียนคิดหลงไหลในกามอย่างที่บอกว่าชอบร้องเพลงวันก่อนเคยนอนกับน้องกับพี่แล้วคืนนี้น้องพี่ไปนอนกับใคร อะไรพวกนี้นอนด้วยอะไรอาวรหวนหานอนคิดถึงแฟนในอดีตบางคนหนักไว้นั่นเงีงมีคนปัจจุบันแล้วยังคิดถึงอนาคตจะมีได้นอนต่ออีกไหมนี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกนอนบาปเต็มเต็มนอนคิดเรื่องไปต่ำเรื่องการจนกระทั่งกลายเป็นคนจริงไม่จริงไม่รู้เนาะเขาว่าคนหลายที่นอน คนหลายที่นอนก็คือว่าต้องไปนอนบ้านเมีย น, น้อยบ้านกิ๊กบ้านนู้นบ้านนี้ทำบ้านไว้หลายๆบ้านเพื่อไปนอนไปหลบไปนอนบังทีเมียไม่รู้อะอารมณ์ทิงลูกเมียกิ๊กลูกเมีย น, น้อยเมียแอบเมียเก็บโตเป็นหนุ่มแล้วถ้าเมียหลวงใจไม่ถึงใจไม่ดีใจไม่ประเสริฐก็แค่พัวหายไป ไม่มานอนก็ต้องคิดแล้วมันไปนอนบ้านไหนมันไปนอนบ้านใครอีกใครว่าที่เอาของกูไปนอนเจอกูจะสานดาน้ํากรดเมือนี้ตกลงคืนนั้นทั้งคืนตัวนอนแต่ใจไม่นอนใจมันซัดสายฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นถ้านอนเป็นหรือยังบอกแล้วเนี่ยดึงลมหายใจเข้าลึกๆ ถ้าปล่อยลมหายใจออกยาวๆตอนดึงลมหายใจก็บอกว่าสุขสุขสุขสุุมันไม่มานอนกับกูกูก็หายใจของกูเป็นสุขได้มึง mmm จะไปนอนกับใครกูก็นอนดึงลมหายใจเข้าสุขสุขสุสุขสุขพอปล่อยลมหายใจก็บอกสบายสบายสบายแล้วก็สลีปหลับนี่คืนนั้นก็หลับลึกหลับสนิทหลับสบายได้ไหม ไม่ใช่ทําไม่ได้นอนกับมันหรือมึงไม่มานอนกับกูที่กูต้องนอนไม่หลับก็สับก็สายที่จะนอนเป็นไหมคนที่นอนแล้วมีอาการอย่างที่ว่าเนี่ยย้อมว่ามันนอนเป็นไหมนะมันนอนไม่เป็นมันนอนไม่มีปัญญาถ้านอนด้วยมีปัญญามันก็เพื่อจะนอนเอาแรงพักผ่อนเซฟสุขภาพร่างกายตื่นมาจะได้ทํากิจ จะเป็นกิจการงานหรือกิจการพาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนอนสี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละแต่ตื่นมาทําพุทธกิจได้ทั้งวันสอนกษัตริย์สอนพระสอนทิวดาสอนชาวบ้านไม่ง่วงเหงาเานอนอ่อนเพลียเพราะท่านหลับลึกหลับสนิทหลับด้วยอนาปานาสติพวกเราชอบหลับไปบนความคิดต่างๆนา น, นาตื่นขึ้นมาต้องมากินยา น, นอนหลับ อไอไก่ไม่ยอมยอมไกเห็นไก่กินยานอนหลับไหมนอกจากไม่กินยานอนหลับแล้วยังลุกมาขันปลุกคนได้อีกเออนั่นอย่าให้เกิดมาเสียชาติเกิดอายไก่ว่านอนไม่ได้สุขสบายกับเขาเลยนอนเจ็บนอนปวดนอนแค้นนอนเคือง กับนอนรักนอนหลงไม่ไหวตาหูเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นอะไรแล้วมันมืดนอนแล้วแต่ใจเนี่ยโหยหาไอ้โน่นไอน้นี่คนนั้นคนนี้แย่เลยหยอกไอ้พวกที่ดารานักลองที่มันนอนไม่หลับโดดตึกตาย ด, ด, ดึกเนี่ยมันเพราะอะไรมันนอนเป็นไหม เออถ้ามันนอนเป็นมันจะโดดตึกมาตายไหมเข้าห้องนอนแล้วแต่มันเข้าไปนอนไม่หลับมันก็เลยออกมาโดดตึกตายทำให้พ่อแม่มันร้องไห้นี่มันนอนเป็นกันไหมเย อ, อเข้านอนแล้วนอนก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุกเขาถือว่านอนฉลาดแต่เข้านอนก็เป็นทุกข์ตื่นมาก็งงเงี้ยงงวงวุ่นวาย ก็เป็นทุกข์อีกตกลงว่าหลับก็ไม่เป็นสุขตื่นก็ไม่เป็นอยู่ร้อนนอนกับอยู่เย็นเป็นโบราณก็พูดไปนานเยอะแล้วนะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ร้อนนอนทุกข์นอนไม่หลับออกมาโดดตึกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มา ทำให้เพื่อนให้ญาติมาร้องไห้งานศพกันไม่รู้มันเกิดมาเพื่ออะไรกันเสียชาติเกิดไม่โยกมันเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาะนอนไม่มีปัญญาทั้งทั้งที่บอกว่าพุทธศาสนาะหรือพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่มันทำไมนอนเหี่ยวหอนอนเหยวนอนหอ น, อน กลุ่มนอนเครียดนอนความโง่เบียดเบียนทําให้มันนอนลําบากจนถึงกับต้องทําลายชีวิตเขาก็บอกว่ามันต้องคิดว่าไงเดาถูกไหมท่านน้องคนนั้นมานอนมันจะโดดตึกไหมอีน้องคนนั้นไม่มานอนมันนอนคนเดียวไม่ได้ มันก็เลยโดดตึกตายถ้าเป็นนัตรมานะนัามาจะไม่ไปงานศพพวกนี้มันเสียเสียยี่ห้อชาวพุทธนะแยกก็แปลกนะเพื่อนญาติไปก็บอกชาติหน้าให้เกิดเจอกันอีกนะเนี่ยไม่ระวังก็ยมระวังอย่างนะไปงานศพใครก็ตามระวังอย่าพังปากเถอะนะ หรือพัวตายเมียตายยันหลุดปากพูดเด็ดขาดว่าชาติน่าเจอกันอีกนะถ้าแม่ตายพ่อตายพูดเลยขอให้แม่เป็นชาติสุดท้ายนะลูกก็จะพยายามทําให้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่ให้สังสารวตัต่อพบต่อชาติกันไปอีกนี่แต่ส่วนใหญ่ชอบพูดแบบเนี้ยจริงไหมโยมสงไสัยที่นั่งนังนี่ก็เคยพูดกันบ้างเลย ขอให้แม่ได้เกิดมาเป็นลูกมันเกิดเป็นลูกเป็นแม่ก็นอีกนะบางทีบ้าจัหกัดหนักๆยังไงแม่ไปหาที่เกิดไม่ได้ก็มาเกิดเป็นลูกหนูนะย ห, ห่ลูกเวนพี่นะแปลกบางคนมั น, นทำไมมันสับสนอะไรในการเกิดการเป็นอยู่แบบโง่งๆแบบปัญญาอ่อนนี่บงคนนี้ไม่ได้ ไม่ได้นอนแบบมีปัญญาตื่นมาก็ไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นโบราณก็บอกว่าจะก น, นอนให้สวดมนต์ภาวนาให้อดิษฐานใจว่านอนเพื่อให้ร่างกายพักผ่อนตื่นมาก็ให้เจ็บอยากให้มีเรี่ยวมีแรงทําบุญทํากุศลต่อไปให้มีแรงช่วยงานพระ菩าสนาฝนฝ่ายทํากิจอันชอบนอนเพื่อพรุ่งนี้ตื่นเป็นเวี ย, ยวัจจัยที่ดีฝนฝ่าย ช่วยกิจการงานพระศาสนาเหมือนตามรอยพุทธเจ้านอนน้อยตื่นนานทำงานเยอะสอนพุทธบริษัทสอนชาวบ้านสอนกษัตริย์สอนพระทั้งวันไม่งงเขาเขานอนอ่อนเพลียเนี่ยต้องถือว่าชาวพุทธที่ดีอย่าให้ผิดเรื่องนี้อย่านอนผิดติดเสื้อติดหมอน แทนที่จะสลัดที่นอนไปออกกําลังเวิร์กบ้างแต่นอนงอเกาะงอหิงติดเสื้อติดหมอนไอ้พวกนี้ไม่นานดอกหมอนเสื่อจะพับเผาเลยแต่เพราะว่ามันไม่ทาลงบ้างตั้งกายให้มันเวิร์กบ้างตกลงว่าข้อนี้เนี่ยพระพุทธเจา้าก็ถือว่ามันเป็นมารนะที่เราถูกฉกเวลาไว้ทั้งชีวิตติดอยู่กับนอนเนี่ย ชาติหนึ่งตั้งหลายปีนะเรานอนๆนนตกข้าไปตั้ง8 9ปีก็ยังมีนอนกลางวันแถมอะไรต่อะไรอีกไปกาอินเยอะนี่ทํางานเนี่ยก็บอก19ปี20ปีต่อชีวิต70ปีตายเนี่นะแต่นอนนี่ก็ไป8 9ปี10ปีเหมือนกันแม้ถ้าเอาเวลา9ปี10ปีนะันนะไปเดินคิดทํานู่นทนํานี่ยมว่ามันได้อะไรเยอะมั อ, อพระทุดดงพระสมัยก่อนอย่างหลวงปู่มันเนี่ยท่านจะนอนน้อยมากท่านจะตื่นนานแหมเมื่อคืนนี้นั่งอ่านประวัติพระสุเมธาจารย์พระฝรั่งที่มาบวชเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชา้าท่านฝากโยมหนังสือที่เขียนประวัติท่นานก็เดิมเนี่ยท่านเป็นคลิสเนี่ยเป็นบาทหลวงด้วยสมัครใจเป็นบาทหลวง ไม่สงสัยว่าทำไมสอนให้เชื่อแต่พระเจ้าโ้นั่งอ่นานเมื่อคืนอ่านสดึกเลยพะเอินมันปวดฟันด้วยนอนก็ปวดเนี่ยนอนมาเลยอ่านหนังสือดีกว่าก็ได้รู้ประวัติท่านท่านเขียนมาให้ด้วยไดยลายมือท่านเองว่าให้ปะถวัยพระพยอบเลื่มหน้ใหยอ เล่มหนึ่งน่าจะต้นทุนไม่ต่ำกว่าสามรอยกว่าบาทใหญ่กว่าพุทธประวัติของเราอีกนเห็นเล่มนี้แล้วตรงใจเป๊ะเลยว่า ป, ปีห้าก้าหยุดรับงานเทศเนี่ยจะแต่งหนังสือเรื่องธรรมะประวัตินังสือเล่มของท่านชื่ออะไรไหมธรรมะปรากฏชื่อดีธรรมะปรากฏรรปรา ก, กฏการขึ้นออท่านเป็นพระที่ มีประโยชน์มากเป็นพระฝรั่งองค์แรกองค์เดียวในโลกที่ในหลวงพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะตอนนี้ชั้นราชเลยเดิมชื่อพระสุมเมธาจาร์ตอนนี้เป็นพระราชสมณสุมเมธาจาร์นี่เป็นพระที่ทำคุณประโยชน์มากเป็นรุกศิษย์หลวงพ่อชารุ่นและแกล้หลวงพ่อชา เรียกว่าเอาเนีไปด้วยเลยเวลาท่านจะไปอังกฤษไปอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีใครเป็นล่าฟไงก็จะเอาท่านสมิธโทเนี่ยเป็นลาฟเพราะท่านพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแต่แปลกนะหลวงพ่อแจ้พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแต่เกือบแพร่พบฝรั่งติดเพียบเลยนี่ตอนนี้นะเขาพูดทํานายกันจริงมานานแล้วพระอาทิตย์จะขึ้นทางตะวันตกแม้ว่าศาสนานี้จะไปรุ่งเรืองตรงนู้น ตอนนี้แปลกเมื่อกือนี้อ่านเขาบอกว่าพระในเมืองไทยเข้าภรรษาเนี่ยมันเหมือ น, นวัฒนธรรมจะหายไปแล้วในพรรษาเมื่อก่อนเนี่ยจะบวชกันห้าสิบหกสิบองค์มีพระระดับเจ้าคณะจังหวัดเลยนะเขาไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์จังหวัดท่านหายไปสามสิบเปอร์เซนสี่สิบเปอร์เซนห้าสิบเปอร์เซ็นบางจังหวัดยอมตกใจไหม หายแปดสิบเปเซ็นใครบวชร้อยองค์เนี่ยเหลือยี่สิบองค์แล้วก็ญาติโยมที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อก่อนนี้ล้นสลาปีนี้เสาสลามา ก, กวัาแม่ขาวออแต่ปีนี้ต้องถือว่าวัดส่วนแก้วมาแรงแซงหลายวัดเนาะแม่ขาวล้นสลาปีนี้อาจจะได้สเสน่หาของที่ปฏิบัติธรรม ที่พัดลีขึ้นเอาละสรุปคืนนี้ใครจะนอนก็ขอให้นอนด้วยมีปัญญาว่าจะไม่นอนแบบคิดนึกอะไรที่มันเลวร้ายไม่นอนให้มานได้ช่องห ม, มายความว่าไงมานมาจากคาว่ามรรักราธาตุหรือาธาตุแห่งการทำให้ตายตายในที่นี้ไม่ตายจากร่างกาย แต่ตายจากความดีมานมาทำให้ตายจากความดีนอนตื่นมาแล้วไม่ลุกขึ้นไปปฏิบัติกิจไม่ปฏิบัติธรรมยังติดใจหลงไหลในเสือ่อในหมอนที่หลับที่นอนแล้วช่วงนอนก็คิดอะไรที่เลื่อยเปือ่อเป็นมิจฉาสังกปะคิดพยาบาทคิดเบียดเบียนคิดหลงไหลไฟตามเรื่องเนื้อหนังต่างๆเนี่ย ถ้าเรียกว่านอนแบบเปิดโอกาสให้มารได้ช่องแต่ถ้าคนฉลาดนอนปิดประตูไม่ให้มารเข้าเออใครไปนอนแล้วเปิดประตูให้มารให้โจรให้ใครมันเข้าไปได้นี่ก็ถือว่านอนโง่นอนแล้วก็อย่าลืมปิดประตูใจด้วยอย่าให้ความคิดชั่วร้ายมันเข้าไปร่วมหลับนอนด้วยต้องนอนแบบชนิด มีธรรมะอย่างเดียวที่เข้าไปร่วมหลับนอนด้วยจะนอนด้วยอนาปานสติอย่างนี้ชัดเลยหลับนอนด้วยมิตรแท้คือลมหายใจเอามากำหนดจะหลับไปอย่างนี้ชื่อว่าหลับแบบลึกหลับแบบมีปัญญาแต่ถ้าหลับโง่โ ง, โงมันก็จะหลับแบบสร้างปัญหาความนึกคิดนิสัยสันดานจะเสียไปเรื่อย แล้วก็จะตายจากความดีบางคนนอนแล้วหมดอารมณ์ทําดีนี่มันแย่ไหมโยมไอ้นอนแล้วเข้าที่นอนแล้วมาโดดตึกตายนี่ไหมแย่ yeah. มันเสียความเป็นมนุษย์ที่พบพุทธศาสนาอสุดท้ายระวังนี่คืออะไรระวังตาหูว่าดูอะไรแล้วมันได้ปัญญาบ้าง อย่าให้ตาหูดูแล้วโง่ดูทรทัศน์ฟังวิทยุถ้าฟังแล้วได้ปัญญาระวังว่าฟังแล้วจะโง่บ้างโยมระวังว่าดูแล้วจะโง่บ้างฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาโยมถามจริงอ่ะมาฟังเทศน์ต้องระวังไหม ระวังไหมระวังว่าฟังแล้วหลับมี่ก็ไม่ไหวหนะสองระวังว่าฟังเสร็จแล้วไม่เข้าใจนั้นระวังว่าฟังแล้วต้องใครขวรนําไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดปัญญาท่านจึงบอกว่าถ้าจะดูจะฟังให้เป็นก็คือถ้ามีโทรทัศน์ ด, ดูก็เลือกดูรายการดีๆเดี๋ยวนี้พระออกรายการเยอะไม่หยก มาเช้าช่องห้าช่องเจ็ดสามสี่องค์อ่ะท่านวอพ ร, ระปยอมใครอีกสามสี่องค์จะตมาดูดูฟังท่านวออีกสองสามองค์จำชื่อไม่ได้ใครฟังบ้างเมื่อเช้าในใครได้ฟังพระพยอมบ้างหูตาอาพับ อย่างนี้เขาเรียกพวกหูกะทะธรรมะรอดหมดพวกปล่อยให้หูตาไม่ได้รับประโยชน์ทางปัญญาชื่อว่าเป็นคนใช้หูใช้ตาแบบไม่ละมัดระวังฟังแล้วขัดเคืองฟังแล้วเกียดชังฟังแล้วชื่นชอบหลงไหลก็ไม่ถูกต้องฟังแล้วคลายจางความโง่ดูแล้วฟังแล้วคลายจางความโง่ ถ้าใครดูแล้วโลกกดลงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช้ไม่ได้ใครดมอะไรแล้วไม่ดมให้มันฉลาดดมฉลาดดมไงโอกลิ่นเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงหรอกมันก็มีหอมมีเหม็นมีเปลี่ยนไปดอกไม้หอมๆเนี่ยดมไปนานๆยอมว่ามันหอมไหมพอมันเหี่ยวมันเน่าหอมไหม ล้วเราแอบดมกันเรื่อยมาเป็นตลอดชาติเนี่ยคิดบังไหมหรือดมงโง่โงกันไปตลอดออหอมแก้มกันแล้วก็บอกว่าชื่นใจมันน่ะจะบอกกูหอมมึงแล้วกูงโง่ไปเยอะเลยดีไปเยอเนี่เออบางคนดมงโง่ดูงโง่ฟั ง, งโง่ ไม่ระวังว่าฟังแล้วมันจะต้องให้ฉลาดสัมผัสสัมผัสแล้วต้องให้ฉลาดเคยพูดแล้วว่าไหเที่ยวแล้วแต่ต้องย้ำไหมสําหรับคนไม่ได้เคยฟังเวลาเราเห็นอะไรดูอะไรสัมผัสอะไรเนี่ยให้บอกให้เตือนตัวเองเสมอว่าเห็นแล้วเห็นแล้วระวังระวังอย่าลักอย่าชังอย่าบูบวับไปกับมันฟังแล้วฟังแล้วดูแลดูแลระวังระวังอย่าลักอย่าชังอย่าวูบวับไปกับมันถ้าดูแล้ววูบ ฟังแล้ววูบงแต่ดมแล้ววูบยิ่งงแต่ถ้าดูฟังดมสัมผัสทุกส่วนทางร่างกายทางจิตใจรู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันไม่ปล่อยให้มันครอบงำจนรักกันหัวปักหัวปำจนชังกันหัวฟัดหัวเวียนยังงีหัวเสียศูนย์ไหม ถ้าหัวเสียส่เรียกว่าโง่หรือฉลาดนั้นระวังระดูฟังอะไรต้องฟังให้ได้ปัญญาอย่าไปฟังไปดูแล้วมันไม่ได้เพิ่มความฉลาดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไอ้เครื่องดูของเล่นเกี่ยวกับการดูดูที่เป็นมีเทคโนโลยีมันดูเกมดูภาพดูคลิปอะไรที่โง่โงก็เยอะไหมแต่ดีไลายไลน์ส่งกันเนี่ย บางทีข้อมูลมันไม่ถูกก็มีมันก็ปล่อยแต่เราเชื่อไปแล้วก็โง่เลยเพราะฉะนั้นฟังใครเขาพูดชวนอะไรเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกว่าสองอย่างนะหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่อมันทันทีสองอย่าเพิ่งปฏิเสธไว้ถ้าปฏิเสธไว้เรื่องนั้นมันดีเราก็เสียโอกาสถ้ารับทันทีเผื่อเรื่องนั้นมันชั่วร้ายเราก็พลาดไปกับมันด้วยเมื่อวานมันมีข่าวข่าวนึง เขากินเหล่ากันเพื่อนนักศึกษาเป็นนักศึกษานะนักศึกษามันน่าจะเรียกว่าอะไรนะปัญญาชนใช่ไหมแต่นี่มันโง่ชนเพื่อนเขบอกมึงแน่จริงป่ะถ้าแน่จริงมึงลองป้นเซเว่นในกูดูมันก็ไปพล้นจริงๆแล้วก็จับได้มันบอกก่าเพื่อนมันท้าให้ทํามันก็รับคําท้าทันทีเนี่ยไอ้พวกหูฝ่าย ฟังแล้วเชื่อทันทีไม่ใช่หูคนหูมนุษย์แต่หูมนุษย์เพื่อนชวนอย่างนี้เราต้องคิดได้คิดเสียดูบวกดูลบเชื่อมันทําตามมันที่ยุเราแล้วทําแล้วเราได้อะไรในคุกในตรางเอาเลยโยมตกลงว่าถ้าหากว่าใครชวนอะไรมันยุกอะไรไอ้พวกยุ ข, ขึ้นบ้ายุมันเยอะในคนบ้ายุกเนี่ยนะ นเพื่อนยุ่มไปปลนมันดันไปพลนบางคนเนี่ยมันยุ่ไอ้แก่พาก็มีนะผู้หญิงเนี่ยจำได้ไหมปีที่เขาดิ้นงานสงการอีกคนนั้นมันดิ้นดิ้นตำรวจจับอนาจารมันให้สัมภาษณ์แบว่าไงเพื่อนมันยุบ อ, อิอีนี่หูไม่ได้มีประมองเลยหูไม่มีสมองเลยสมองใช่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าใครเขายุอะไรต้องระวังอย่าเผลอใจรับคำยุแบบไวๆเร็วๆไม่ได้ไต่ตรองไข่ควรไม่ได้ใช้ปัญญาในการรับฟังเลยแต่เออเนี่ยธรรมชาว่ามึงก็กูไปถือศิลแข่งกันั้ยไปหวัดส่วนแก้วมึงจะได้ทุกวันพระไหมกูจะให้ได้ทุกวันพระเออเอออย่างนี้น่ารับคท้าห เออนี่เดี๋ยวกลับไปสามีปัญญาแกกับข้จะไปฟังทุกคนอาทิตย์ไหมจะ <c oughs> แน่ป่ะแกรองรับคำถาทิ้งเออถ้าอย่างนี้มันยังไอ้ีอยุให้ไปปล้นดันเสือกทรรมปัญญาอ่อนไหมโยมมันปัญญาอ่อนเกินอ่อนเนี่ยทีนี้สมองหมาปัญญาควายชั ด, ชด เพราะฉะนั้นฟังใครไม่ได้ปัญญาอย่าไปฟังแล้วถ้ายิ่งฟังยิ่ ง, งโง่แสดงว่าหูตาปัญญาเรามันใช้ไม่ได้เลยถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธเราจะต้องระวังว่าหูตาของเราเนี่ยต้องมีเพื่อการศึกษาไม่ใช่มีไว้เพื่อสนุกสนานการกินด้วยปัญญากินพอดี พะท่านว่ารู้จักประมาณการกินการนอนนอนพอดีนอนพอประมาณนอนน้อยตื่นนานจะได้งานได้การเยอะแต่นอนเลอะเทอะนอนไปเรื่อยเสียงานเสียการถ้ายิ่งใช้หูใช้ตาแบบปัญญาอ่อนยิ่งแย่เลยยิ่งทําให้ชีวิตเนี่ยไม่สมสติเกิดมาเป็น สมองสัตว์มนุษย์มันก็บอกว่านะยอมเห็นไหมช้างใตัวเบือเริ่มหัวไม่โตเท่าไหร่ไอ้อูดเอดิดเนี่ยยมสังเกตไหมตัวไบ่เริ่มเน่ยหัวไม่โตงูนี่ก็ยาวนะแต่หัวก็นิดเดียวเพราะนั้นมันบรรจุกะโลกพิภพมาได้ไม่มากเราเนี่ยหัวกับตัวนี้เกือบเท่ากันเลยไอ้วันนั้นมีใครพูดคนนึงไอ้ช่องเนี่ยนะ ถ้าหัวรอดได้ตัวก็เกือบรอดได้แสดงว่าหัวกับตัวนี่เกือบเท่ากันใช่ไ่มเออแต่ถ้าสัตว์นี่ส่วนใหญ่หัวเล็กสมองน้อยปัญญาก็ต้องได้แล้วเป็นคนหัวโตวด้วยใหญ่ด้วยมันก็น่าจะใช้อสมองสติปัญญาเนี่ยเวลาฟังอะไรดูอะไรให้มันต้องได้ปัญญาเอามาใช้ในชีว ประจำวันไม่ใช่อยู่แบบงงๆไปวันๆหรือไม่คิดแล้วมันไม่ไหวขา่าวดูข่าวนี่มันมีคนอะไรฆ่าตัวตายอะไรตายๆกันเยอะมากโอ้จะมอว่านี่แย่อยู่คนมันถอยรถเหลือเลยชนเสาไฟฟ้าโคตรละเนรระนาดโอ้เสียไปหลายทางกองไฟฟ้าประมาณการเสียหายกองไฟฟ้านี่นะสามสิบล้าน ถอยนิดเดียวสามสิบล้านแต่ยังไม่ได้รวมไอ้รถอีกยี่สิบสามคันเห็นหนังสือพิมพ์ลงว่าประมาณร้อยล้านถอยโ ง, ง่โ ง, ง่ไม่ดูตามาตาเลือเลยไม่ได้ใครควรเลยแม่พูดถึงถอยโง่โ ง, ง่เนี่ยไปดูไอ้เด็กมันถอยขับรถนะมันขนดินไปเนี่ยที่จริงเนี่ย ที่มันลาดเอียงองนี้นะมันก็จะบิดบุดรถตัวหูยางเธอจะเบี้ยวเลยเธอบอกตายแล้วนี่เธอก่อนเธอจะถอยนะมันไม่ยืนคิดดูที่มันลาดเอียงเธอก็ถอยท้ายมันไปตรบนี้แล้วเธอจะเห็นไปโน่นใช่ไหมใช่เอา้าก็ถอยท้ายไปนี้แล้วก็หัวปักไปเลยแล้วทาไมเธอมาบิดกึงง๊ ก, กนักกึ๊กนักกินเห็นคิดไม่ออก <c oughs> สามคนนะั้นมันเห็นกัน มันคิดไม่ออกทั้งหัวเลยสามหัวเลยแล้วไปยืนดูหัวเดียวเนี่โอ้ยคิดถึงว่าสมองสติปัญญาคนนี่มันต่างกันสุดๆเลยเราไปดูเกาะแทบนู้นเฮ้ยไอตรงนั้นมันลื่นเนี่ยมันเดินคนอินลาบากอีตรงเนี้สองง่าตรงกุดเลยมันข้ามของอย่างใช่ไหมมันก็ไมปเดนินคนอ้อมไปนูน่นไอตรงเนี้ย ถ้ามันเอาไม้ทอดนะเอาแผ่นหูเขาให้มาเทวอยมาบานเลยบานประตะูประตูไม่อัดอะแล้วไม่ใช้อะ่ะก็เอามันมาปูกับบนเลนน่ะแล้วก็ไม้ทอดอย่างงี้ก็กิ่งหินลงไปกิ่งลงไปมันก็ไปใส่เลียงได้โอไ้ไปบอกิ่งทำไมไม่คิดอย่างงี้ก็หลวงพ่อไม่ช่วยคิดเออ ต้องทำมาแล้วจางมาแล้วก็ต้องมาช่วยกินคารงเราทุกวันโอ้มันอาพับสมองจริงจเ <net> นี่ยแล้มาถึงนึกไอ้คนโบราณเนะี่ยเวลาก็ฝังลูกนิวิทเนะี่ยก็จะมีอะไระไหมเข็มก็ได้แล้วกคติฐานยังไงพอหยิบโยนคอยมีสติปัญญาหยิบแหลมดังเข็มเออหยิบแหลมดังเข็มเนี่ย อย่าให้ตูมันสักกับเบื่อดมีไม่ยอมมีใครเอาต้อ ก, กับเบือ่อเป็งานฟังลูกนีมิดไหมมันไม่ไหวจริงๆไปยืนยืนนู่นเสียเวลาที่จะทำให้มันเร็วขึ้นสะดวกขึ้นรถโดนไปตรงนั้นอ่ะเขาเลนขึ้นไว้อ่ะก็รุนปุบปับปุบอั บ, บที่จริงเนี่ยเรามีไอ้นั่นมาบริจาคเยอะ มันฟอยอะไรเนะี่ยมันแค่หงอ่นนะแต่มันเป็นฟอยเนะี่ยถ้าเอามาปูปูปูแล้วเดินบนนั้นมันก็ไม่ลืน่นนะบุ๊บบุ๊บุบบุของไม่ีอะไรมีมก็แหม อ, อ่ะคิดแล้วอ น, นาจใจอยู่กับคนงโง่นี่เหนื่อยบะไรเลยมันมีอะไรไม่รเนี่ยพุทเจ้าถึงบอกว่า หลักการทำงานห้าประการสตินซีอยากทำวิธยอินรีพยายามทำสตินซีแล้วลึกลึกรู้อยู่ว่าเราต้องทำอะไรนั่ไงสมาธินรีสงบใจเพ่งเล็งเก่งกทําทำสุดท้ายปัญญินรีต้องฉลาดทำถ้าไม่ฉลาดทำก็แย่ถือสินเนโงย ง, งยุ่งไหมเขาบอกนี่ประญาต์กินและคุณ ต้องกินยาไทยไม่ได้เดี๋ยวฉันสิน้นขับก็งโง่บริสุทธิ์ได้เลยาออกพรรษาไสทะลุ ป, ประญยัดกินหมดสุขภาพร่างกายเราเนะี่ยก็ต้องรักษาเพื่อจะเอาไว้ทำประโยชน์เอาแค่นี้ก่อนต้องขออวยพรให้ทุกท่านทั้งกินทั้งนอนทั้งสังวรระวัง ในการใช้หูใช้ตาให้เกิดประโยชน์ทางปัญญาขอให้ภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าพันเท่าจากการได้มาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ขอให้เจริญสติปัญญาในการกินการนอนการสังวรระวังในการดูการฟังยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ